นอบน้อมต่อคุณร พ, พระรัตนตรัยพระกาจพัชฌาภเษยสารพระฌารย์ยุกิพระฌารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตว์มิทุกท่านจเจริญธรรมแมชีและยะติธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดอนัตตะลักนันสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเพราะนี่เป็นจริงๆแล้วก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองนะอันนี้เป็นหนทางแห่งการเกิดปัญญาเกิด ขนทางการรู้แจ้งและสู่การบรรลุธรรมเนาะอันนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักกับพระณสูตรเป็นพระสูตรแรก <c oughs> ซึ่งก็ยังให้พระปัญญาคีบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ทั้งหมดแต่ยังไม่มีผู้ใดบรรลุเป็นพระรหั์หลังจากนั้นพระพเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตละนักสูตรเป็นพระสูตรที่สองปัญญวัคีก็ได้บรรลุเป็นพระรหันทั้งหมดเนาะอันนี้ก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง อนี้ในเมื่อพันกว่าปีก่อนนั้นในประเทศจีนก็ปรากฏพระสังฆปรินายกองที่หของนิกายเซนอันได้แก่ท่านเวลานะหรือในภาษาจีนเรียกว่าท่านหุยเหนิงนี่จริงๆแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้เข้าถึงอนัตตะและวก็นัสสุนนี่แหละคือความที่ไม่ตัวเมตนแล้วก็ได้นำสิ่งเหล่านี้ปัญญาจากการที่เข้าใจในธรรมระดับนั้น มาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชน ช, นชาวจีนในยุคนั้นได้เข้าถึงธรรมอย่างมากมายจนบังเกิดเป็นนิกายฉับพันเนาะคือการมรรล้ธรรมอย่างฉับพันนะอันนี้ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านก็เป็นผู้ที่มีความยากจนมาก่อนนะก็คื อ, อ ค, คุณพ่อก็เสียไปตั้งนานแล้วแล้วก็คุณแม่ก็ยากจน ท่านก็หาเลี้ยงชีพด้วยการตัดฟืนมาขายแล้วก็นำไปขายที่ตลาดวันหนึ่งท่านก็นำฟืนเหล่านั้นไปขายที่ตลาดแล้วก็ได้ยินชายผู้หนึ่งได้สาธยายวัชระปัจชะยาปัลมิตาสูตรอันมีเนื้อความโดยย่อ ด, ดังนี้ว่าพึงยังจิตไม่ให้ยึดถือปุกพันในรูปพึงยังจิตไม่ยึดถือปุกพันในเสียง พึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในกลิ่นพึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในรสพึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในสมัมผัสพึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในใจนึกคิดหรือในอารมณ์พึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในสภาวธรรมทั้งปวงเนะ น, นี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเพราะการที่ประสูตรนั้นแสดงว่าพึงยังจิตไม่ยึดถือผูกพันในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสภาวธรรมทั้งปวงเหล่านี้ท่านเบื้องหลังนั้นเมื่อได้ยินสาธยายธรรมเพียงเท่านี้ท่านก็เกิดจิตใจสว่างสวัยในธรรมะเกิดจิตที่เข้าถึงธรรมอย่างฉับพลันเนาะอันนี้ก็เป็นบารมีเก่าที่ท่านได้เคยสร้างมาแล้วตั้งแต่เมื่อดิดชาติเมื่อได้ฟังธรรมะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าใจธรรมได้ <c oughs> โดยจิตใจที่เข้าถึงธรรมแล้วตรงนั้นท่านก็เกิดการที่จะสแสวงหาเพื่อที่จะได้เข้าถึงธรรมในชั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็ได้ถามชายผู้นั้นว่าธรรมที่ท่านได้ยินมานี้ได้ยินจากไหนหรือว่าไปศึกษามาจกที่ใดชายนั้นก็บอกว่านะก็ถ้าจะศึกษาในธรรมนี้ก็ให้ไปหาพระสังฆปริยา น, นานยกขอที่ห้าซึ่งอยู่ในภาคเหนือ เมื่อท่านน้ยินเช่นนั้นท่านก็มีความสนใจอยากจะเดินทางไปศึกษาแต่ติดที่ว่ายังเป็นคนยากจนอยู่ยังไม่มีเงินที่จ ะ, ะให้ให้คุณแม่ได้ใช้จ่ายต่อมาก็มีผู้ใจบุญก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้คุณแม่ได้ใช้จ่ายและท่านจะได้เดินทางไปอย่างสะดวกหลังนั้นท่านก็เมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคุณแม่ของท่านแล้วเมื่อหมดห่วงก็ได้เดินทางไปยังภาคเหนือ ก็เพื่อไปพบพระสังฆะปรินาลบองทีนะ่ห้าเมื่อได้ไปพบมาพระสังฆะก็ได้ถามท่านว่ามาอย่างไหนท่านบอกมาจากภาคใต้คือเมืองกวางโจงนะพระสังฆะก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนภาคใต้เป็นคนป่าแล้วจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรท่านก็ตอบว่ามันคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้ว่าเป็นคนเหนือหรือคนใต้แต่ว่าเป็นพุทธะมีอยู่ในใจแล้วทุกคนนะอันนี้เป็นคําตอบที่อ่า สำคัญมากเพราะว่าการเป็นคนเหนือหรือคนตายนั้นก็เป็นแค่สมมุติเท่านั้นแต่ความเป็นปรมาทหรือความเป็นพุทธานั้นย่อมปรากฏอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วอันนี้เมื่อได้ยินเช่นนะั้พระสังฆาก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคือเหมือนกับว่าเข้าใจธรรมะระดับหนึงแล้วแต่ว่าด้วยการที่เกรงอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าในขณะนั้นก็พระก็มีมากมายแล้วก็อาจจะอิจฉา ท่านว่าท่านเหมือนก็เข้าใจธรรมะในระดับนี้แล้วก็เลยส่งไปอยู่ในโรงครัวนะไปทำงานในโรงครัวมีการตําข้าวผ่าฟืนต่างๆเป็นต้นนี่ก็เป็นงานหนักตามวัดท่านก็ยังเต้าเอาหินก้อนใหญ่มาถ่วงที่เอวเพื่อให้น้าหนักตัวมากขึ้นจะได้ในการที่จะเหยียบนะเหยียบที่เครื่องต้าข้าวกระเดื่องตําข้าวจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นนะแสดงเป็นงานที่หนักมาก ใ น, นท่านก็ทํางานอยู่ในโรงครัวประมาณ8เดือนต่อมาพระสังฆาอนที่5ท่านก็มีความปรารถนาที่ว่าตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วอยากจะให้มีการสืบตําแหน่งต่อไปอเพื่อที่จะได้ลำลุงเป็นพระสังฆาอ์ที่6สืบเนื่องกันไปทั้งเลยประกาศว่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายอเขียนสลกธรรมขึ้นมาเพื่อที่จ ะ, ะดูว่าผู้ใดที่เข้าถึงสลกธรรมนั้นบรรลุธรรมนั้น เมื่อไดอ้มีการเขียนเช่นนั้นก็แสดงว่าของท่านแสดงว่าท่านบรรลุธรรมหรือยังถ้าหากว่าผู้ใดที่เข้าถึงธรรมท่านก็จะมอบตำแหน่งให้ท่านก็ประกาศออกไปในขณะนั้นก็มีท่านชินชาวซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่คือเป็นพระอาจารย์รองจากพระสังฆะองค์ที่5นั้นเป็นผู้ที่ช่วยในการ อ, อบรมสั่งสอนแก่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระโดยทั่วไปอยู่แล้ว เพราะนั้นก็ไม่มีพระองค์ใดที่จะเข้าเข้าชิงตําแหน่งนะหรือว่าคิดว่ายังไงท่านชินชาวก็ต้องได้แน่นอนก็เลยไม่มีผู้ใดคิดจะเขียนสโลกนั้นท่านชินชาวนั้นจริงๆท่านก็ดีมากท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องได้ตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะท่านก็ปรารถนาเพียงว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเขียนสโลกไปแล้วท่านจะเข้าถึงธรรมหรือไม่เท่านั้นแต่ควานมิท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านเข้าถึงธรรมหรือเปล่าท่านก็ไม่กล้าเขียนสลกนั้นส่งให้กับพระ สังฆาปรินายกท่านก็เพียงแต่ว่า เ, ออเราควรจะเขียนไปติดไว้ที่ฝาผนังนี้ก็แล้วกันเผื่อพระสังฆาปุญญาโยกมามองเห็นแล้ว อ, อ, อย่างไรท่านก็คงจะพิ น, นัยครั้งหนึ่งท่านก็เลยเขียนไว้ที่ฝาผนังบอกว่าออกายเปียบเสมือนโพใจเปียบเสมือนกระจกเงาเราจะต้องหมันเช็ดถูกระจกเงาอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงจับ อันนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มีผู้ที่ผ่านมาเห็นก็เห็นว่าเป็นสโลกที่ดีมากก็พูดต่อๆกันไปต่อมาพระสังฆบรมนายกท่านมามองเห็นท่านก็เห็นว่าโอ้ก็เลยประกาศว่านี่ยละก็คือสโลกที่ดีนะผู้ใดที่ปฏิบัติตามสโลกนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ให้นำทุบเทียนามาจุดบูชาสลกธรรมนั้นนะคว่า กายเปลี่ยนเหมือนโพนั้นก็คื อ, อ ม, มีกายอยู่นะมีกายใจเปลี่ยนเหมือนกระจกเงาก็คือมีใจเราต้องมันเช็ดถูทุกวันเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงจับ ก, ก็หมายความว่าเราจะต้องมันฝึกฝนประบัติธรรมเพื่อไม่ให้กิเลสเข้ามาจับในใจเราไม่ให้กิเลสมาเกาะหรือว่ามาปรากฏขึ้นในใจเรานะก็คือต้องมันศึกษาประธรรมอยู่เรื่อยเพื่อที่จะชําระกิเลสเหล่านั้นแล้วก็คอยระวังกิเลสเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นในใจ ต่อมาก็มีผู้ที่ท่องบนสลูกนี้มากมายแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งก็ได้ท่องบนสลักนี้สลูกนี้ผ่านไปที่หลวงครัวก็ได้ยินไปถึงท่านเวลางท่านเวลางเพราะได้ยินสลูกนั้นก็เกิดความเข้าใจนึกคิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะแต่ท่านก็มีสลูกอยู่เหมือนกันนะก็แต่จริงๆแล้วท่า น, นไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือจีนได้เพราะว่าท่านก็อ่านไม่ได้ด้วย เขียนก็ไม่ได้นะท่านก็เดินออกมาข้างนอกนะมาที่สลกนั้นพอดีผ่านมานะได้พบมาเสมียนนะคนหนึ่งชื่อจางตัดยุงนะก็เลยขอให้ท่านสมียนนั้น <c oughs> ช่วยเขียนนะสลกให้ตระเมียนนั้นก็ได้ยินท่านนั้ก็รู้สึกนะนึกดูถูกในใจ <c oughs> ท่านก็เขียนสลกได้ด้วยหรือนะเมื่อว่าดูว่าเป็นนะคน ทำงานในครัวจะเขียนสลกได้ด้วยหรือถ้าหากว่าท่านได้แล้วก็ช่วยบอกธรรมะให้กับท่านบ้างน ะ, ะก็เหมือนกับเป็นการผู้ไปชดอย่างหนึ่งแต่ท่านก็พูดว่าอย่าไปคิดเช่นนั้นนะอันเนียใครๆก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงทำได้เช่นกันนะต่อมาก็ให้ให้เขียนว่าสลกอย่างไรท่านบอกว่าให้เขียนสลกอย่างนี้ว่านะโพก็ไม่มีก็ <c oughs> จกเงาก็ไม่มีฝุ่นจะลงจับอะไร นะเมื่อเขียนไปเช่นนั้นแล้วก็มีผู้ที่มาพบเห็นสโลกนั้นก็เกิดความเกิดความทึ่งนะเกิดความตื่นตะลึงโอ้สโลกนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะก็พูดต่อๆกันไปเราก็บอกว่าเนี่ยเราใช้พระโพธิสัตว์มาทำงานให้พวกเราได้อย่างไรเป็นเวลาถึง8เดือนนะต่อมาก็ความทราบถึงพระสังฆราปรตนายกก็ออกมาดู ครั้นนี้พระสังฆาท่านเห็นผู้ที่เขียนสุลกนี่ก็เข้าใจแล้วว่าหมายถึงอะไรแต่ท่านก็เกรงว่าอาจจะมีคนอิจฉาก็เลยเอารองเท้ามาตบติดตีแล้วก็ไปฆ่าออกเราบอกว่าสุลกนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่ท่านรู้แล้วว่าอันนี้คนที่เขียนนี้เข้าถึงระดับไหนเนาะอันนี้ก็หมายความว่าโพก็ไม่มีก็หมายความว่ากายก็ไม่มีกระจกเงาก็ไม่มีก็เหมือนกับใจก็ไม่มี กิเลสจะลงจับอะไรนะเมื่อไม่มีกายไม่มีใจกิเลสก็จะเกิดจากใจและกลายของเราได้อย่างไรนะข้อมันไม่มีอยู่แล้วมันก็ไม่มีกิเลสต่างๆเนาะคราวนี้ตรงเนี้ยเป็นการแสดงถึงว่าการเข้าถึงธรรมะในระดับอนัตตาเพราะว่าเป็นการแสดงว่ากายและใจไม่มีที่เราได้สวดอนาตานะัตตลักษณสูตรไปแล้วเนาะตรงนี้ก็คือการที่เรา การที่ท่านเข้าเข้ามามองเห็นทำในระดับนี้แล้วต่อมาท่านก็เดินพระสังฆปรินายก็เดินผ่านทางโรงครัวแล้วก็เคาะไม้เท้า3มครั้งนะท่านเวรหลังได้ยินก็รู้ว่านี่คือสัญญาณว่ายามสามขึ้นนี้ให้ไปพบพระสังฆปรินายกแล้วท่านก็เมื่อในเวลา3ยามก็เดินทางเข้าไปพบแล้วก็พระสังฆปรินายก็ปิดม่านไว้เพื่อไม่ให้คนเห็น หลังนั้นท่านก็ถ่ายทอดจากจิตสู่จิตโดยธรรมะในระดับที่เป็นประมตทธรรมเข้าสู่จิตใจของท่านโดยหลางซึ่งพร้อมที่จะรับธรรมะในระดับนี้อยู่แล้วจากการที่ท่านได้รับการถ่ายทอดธรรมฉะนั้นท่านก็สามารถบรรลุเข้าถึงธรรมได้อย่างสมบูรณ์นะแล้วก็หลังนั้นท่านพระสังฆเป็นี้นายก้อแนะนําให้ท่านหนีไปหนีไปก่อนนะ้ไปอยู่ในป่าก่อนก็ได้เพราะว่า หลังจากนี้ก็จะมีการตามล่าเกิดขึ้นนะท่านก็เชื่อฟังท่านก็หนีไปอยู่ในปา่าเป็นเวลาสิบห้าปีนะไปอยู่กับคนปานะ่าคันนี้ท่านนี้ก็มีผู้ที่ติดตามไปตามล่าท่านจริงๆนะแต่ท่านก็สามารถที่จ ะ, ะหลบเลี่ยงได้แม้แต่มีผู้ที่ชนานาญในการแกะอรอยตามหาท่านนะนะท่านก็สามารถที่จ ะ, ะที่จ ะ, ะ ไ, มไม่มีการมาเชิญหน้าในตรงนั้นได้นะ ผู้ดีแก่้อยนี่ก็เป็นฐานเก่าได้เจอท่านแล้วบอกว่าเนี่ยท่านก็รู้ว่าเนี่ยตามมาแก่้อยท่านบอกว่านําไปเถิดนำบาทนําจีวรไปคือบาทและจีวร น, นี่เป็นเครื่องหมายของพระสังฆปริณายกในยุคนั้นอันนี้เป็นบาทจีวรของพระเจ้าที่มีการนำนำมาต่อเนื่องกันตกทอดต่อๆ่อกันมาในพระสังฆปรินายกในแต่ละรุ่นนะก็บอกว่าเนี่ยให้นําไปเถิด ฐานอดีตฐานเ่าบอกว่าไม่ได้มาเพื่อต้องการในสิ่งเหล่านี้แต่ต้องการที่จะฟังธรรมจากท่านท่านกาแสดงธรรมเพียงสั้นๆให้ฟังในเรื่องจิตเดิมแท้ผู้ที่ได้ฟังก็บรรลุธรรมในระดับหนึ่งเหมือนกันนะหลังนั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านก็สามารถที่ดำรงชีวิตได้แม้ท่านจะเป็นผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ท่านก็ไม่ได้ไยึดถืออะไรมากนะคือชาวพานป่านี้เขจะต้มต้มเนื้อในหมอ้อหม้อน้า ท่านก็นําผักเข้าไปต้มด้วยแล้วก็นํามารับประทานนะไม่ได้ยึดถือว่าเออต้มกับเม้น้ําที่ต้มเนื้ออยู่ก็ไม่เป็นไร่แต่ท่านสามารถยังจิตเช่นนั้นให้ปลอดโก่งได้แล้วก็ดํารงชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็ไม่ได้ไปยึดถืออะไรมากหลังนั้นท่านก็ เ, ออเข้าไปในเมืองคือเข้าไปในบางโจงคืออยู่ภากใต้คราวนี้เมื่อท่านเดินไปผ่านที่วัดแห่งหนึ่งก็ ในขณะนั้นที่วัดนั้นก็มีธงพัดสะบัดปลิวไปปิวมาก็มีพระบอกว่าเนี่ยธงมันไหวพระ อ, อีกท่านนึงบอกว่าไม่ใช่ธงมันไหวแต่ลมมันไหวนะครั้ น, นี้ก็แบ่งมาสองกลุ่มก็เถียงกันในเรื่องธงไหวหรือลมไหวเมื่อท่านได้ยินทช่นนั้นท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งลมไหวไม่ใช่ทั้งธ ง, งไหวแต่เป็นจิตของท่านเองนั่นแหละที่ไหว พอพระได้ยินฉชนั้นก็เกิดการตื่นตะลึงโอ้นี่เป็นคําพูดที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะหลังนั้นก็เจ้าวาดของบาท น, นั้นก็ม า, ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาสอบถามนะท่านเป็นใครมาจากไหนหรือหรือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับอมอบนะบาทละจีวรจากพระสังฆบดินารยกองค์ที่5มาแล้วใช่ไหมทางบาวชชัยนะหลังนั้นเจ้าวาดก็นิมนต์ท่าน ก็ได้เชิญท่านขึ้นไปแสดงธรรมทั้งที่ท่านก็เป็นคารวะอยู่อนะแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็สอบถามธรรมะต่างๆที่ลึกซึ้งท่านก็ตอบได้หมดทั้งท้งนี้ท่านก็ไม่รู้หนังสือต่างๆเลยนะนี้ก็แสดงถึง <c oughs> จิตใจที่เข้าถึงธรรมะของท่านได้แล้วจริงๆต่อมาท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมอยู่ในภาคใตนะ้เป็นการมาเผยแผ่ธรรมในระบบฉับพันนะคือให้คนเข้าถึงนักตะลักะสูตร อนัตตาได้โดยตรงในการที่ว่ามันไม่มีกายไม่มีใจนะตรงนี้มันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับเขาก็ให้เข้าถึงในตรงนี้กันเพื่อที่จะให้คนไม่ไปยึดมั่นในกายและในใจตั้งแต่ต้นแล้วนะเมื่อมันไม่ยึดมั่นในกายและในใจตั้งแต่ต้นก็สามารถที่เห็นกิเลสก็เป็นของเขาเองมันไม่ใช่ของเรามันมาแล้วก็ไปก็เกิดแล้วก็ดับต่างๆเหล่านี้ก็คือไม่ไปให้ค่ากับกิเลสทั้งปวงไม่ให้ค่ากับตัวตนตั้งแต่ต้นแล้ว เพื่อผู้ใดเข้าถึงตรงนี้ตั้งแต่ต้นมันก็เกิดการคลายการปล่อยการวางตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันมันไม่ต้องไปดําเนินในการที่ว่าทําให้กายทําให้จิตเขาดีตามที่เราต้องการต่างๆแต่อย่างใดเพราะมีการวางตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงนะซึ่งในในยุคนั้นก็น่าจะมีอยู่จริงๆนะแต่ในยุคเรามันคงจะยา ก, ย, ย, ากยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าในประเทศจีนในยุคนั้นจริงๆก็มีนักปราชญ์อยู่มากมายซึ่งศึกษา ในเรื่อ ง, งต่างๆมาตั้งแต่ด็กแล้วตั้งแต่ของท่านเหล่าจื้อนะรัติเตา๋าหรือของจือนะของรัติคงจือหรือว่าพุทธศาสนาในยุคนั้นก็มีเรื่องของการที่พูดในเรื่องต่างๆมากมายเช่นวัชร ะ, ะปัจญญาปรเมตตาสูตรหรือพระสูนต่างๆซึ่งแสดงในเรื่องที่ไม่ตน ไ, ไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่ตน ม, ม, ม, มากมายมาก่อนแล้วนะตรงนี้มั น, ม, นมันก็ได้สั่งสมปัญญาในระดับนี้มาก่อนแล้วซึ่งในยุคนั้นก็น่าจะมีอยู่จริง เราผู้ที่ฟังรรทำเช่นนี้ก็เข้าใจเข้าถึงธรรมะได้เร็วก็มีอยู่จริงเนาะนี่ก็คืออันนั้นเป็นการสร้างสมปัญญามาตลอดเนาะเหมือนกับที่อินเดียใ น, ในยุคพุทธกาลก็เหมือนกันก็มีการสร้างสมในสิ่งเนี้มาก่อนแล้วนะคือสร้างสมในลักษณะที่ว่าการที่จะเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงบรรลุธรรมมาก่อนแล้วเมื่อวิจเจ้าแสดงตัตตรู้มาแสดงธรรมก็มีผู้บรรลุธรรมได้มากมายเช่นกันก็มีผู้ที่รองรับมาก่อน เพราะว่ามีนักปราชญ์นักคิดมากมายเช่นพระสารีบุตรหรือพระมงคลนั้นเป็นต้นฟังธรรมนิดเดียวก็บรรลุธรรมแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เกิดจากบารมีที่เขาสั่งสมกันมาแล้วก็ในยุคนั้นก็เป็นเช่นั้นอยู่ก่อนแล้วเนาะคราวนี้มันก็ต่างจากในยุคนี้ในยุคนี้จริงๆแล้วมันเป็นยุคที่ว่ามั น, ม, นมันไม่เหมือนกันตรงไหนมันมันเหมือนไม่เหมือนกันตรงที่เรามีความสุขมากเกินไปนะมันมี ม, ม, มีมีการเพลิดเพลินในอามต่างๆมากเกินไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีความเจริญในทางโลกมากเกินไปนะเมื่อมีความเจริญในทางโลกมากก็เลยไปเพลิดเพลินกับทางโลกก็เลยไม่สนใจนะทางธรรมทุกวันนี้คนก็ไม่สนใจลองเปิดโทรทัศน์นะยิ่งมีดิจิตอลทั้งหลายแหล่มันทางโลกแทบไม่มีเลยทางธรรมนี่มันแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากนะคนก็ยิ่งเพลิดเพลินหนักมันะมันก็ไม่มีโอกาสที่ว่ากลับมาศึกษ า, ก า, ก, ษากายเลืใจของเราเองแล้วเมื่อมันศึกษามันก็ติดอยู่แค่สภาวธรรมบางอย่างเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ลึกเข้ามาถึง ความเป็นอนัตตาเนาะ ม, นมันก็ไปติดอยู่แค่ไปภายนอกเท่านั้นเองเนาะมันก็จึงต่างกันนคราวนี้ที่เรามาดูในอนัตตละละัธนาสูตรเนี่ยอันนี้พระเจ้าก็พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าคือท่านแสดงธรรมนะ ท, ท, ที่ถาม ภ, าภาิกษุ ป, ปัญญวคิวโดยยอดดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลูกเวทน า, นาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือตามคิดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าค่าหลังนั้นก็ทรงแยกแยะว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรพอแสดงธรรมนี้จบแล้ว ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนาะก็มีรายละเอียดต่างๆที่เราสวดไปแล้วมากมายเช่นเรื่องของภายในเรื่องของภายนอกเรื่องควาอดีตอนาคตปัจจุบันนะก็คือมันมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราตั้งแต่อดีตอนาคตปัจจุบันอยู่แล้วมันไม่เคยเป็นตัวตนของเรามาก่อนเนาะก็คือมันไม่แชงเราไม่แยกตัวไม่ตนของเราตั้งต้นแล้วเราก็เพียงแต่ว่าเราไปบัดเพื่อการถ่ายทอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองก็คือไม่ต้องไปละตัวตน ถ้าไปละตัวตนก็แสดงว่าเขาก็เป็นของเรามาก่อนแล้วเราก็ไปละเขาแต่จริงๆเขาก็ไม่เชิงเราตัาง้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราถอดถอนความเข้าใจผิดตรงนั้นเองนะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็ธรรมะในตรงนี้มันก็บังเกิดกับจิตของเราอย่างฉับพลันเหมือนกันนะคือมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็มีมีมสภาวะที่เรียกว่ามันมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะตรงนี้มันมันเห็นชัดเจนใช่ไหมธรรมะไม่ผ่านมาไม่ผ่านไป มันก็เป็นของถาวรแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นของถาวรสักอย่างเดียวใช่ไหมความดีใจความรักซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอยากให้อยู่กับเรานานมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ผ่านไปเหมือนกันความโกรธความเกลียดความเครียดความเหงาความกลัวความถึงหวงความน้อยใจความเสียใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากเขาเกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นได้นะแต่เขาก็แสดงว่าเขาก็มาแล้วก็ผ่านไปนะทุกดวงมันก็เป็นเช่นนั้นเองมาแล้วก็ผ่านไปความคิดต่างๆก็เกิดแล้วก็ผ่านไปทั้งหมด มันจริงว่าทุกอย่างนะจริงๆมันมีอยู่แค่ในความคิดเท่านั้นเองเราสามารถที่จะรู้ทันความคิดไหมถ้ารู้ทันความคิดเมื่อมันไม่ให้ค่ามันก็ผ่านไปหมดแต่เมื่อเราไม่รู้ทันมันก็จะติดในใจเราอยู่เรื่อยๆติดในใจแล้วก็วนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเรื่องในอดีตต่างๆมันเป็นเรื่องที่วนทั้งนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีเรื่องของเมื่อวานหรือเรื่องของพรุ่งนี้ต่างแต่อย่างใดทั้งสิ้นหรือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอะไรทั้งสิ้น ทุกอย่างเกิดแค่เกิดจากแค่ในความคิดเท่านั้นเองเมื่อเราไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรเลยเนาะตอนนี้ถ้าเราคิดถึงใครคนหนึ่งน ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะปรากฏขึ้นมาทันทีลือนะเรื่องของอนาคตก็เหมือนกันเมื่อเรานึกถึงก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีแต่นั่นจริงๆแล้วเป็นแค่ความคิดเนะพราะฉนั้นพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดอดีตก็ไม่มีนะเมื่อวานก็ไม่มีทั้งนั้นเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ตรงไหนก็คืออยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง ปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะถ้าเรารู้ทันความคิดในปัจจุบันนี่แหละมันก็รู้ทันอดีตและอนาคตด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้ทันในปัจจุบันมันก็จะเข้าไปนอดีตหรือนาคตทันทีนะเพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้มีอดีตหรืออนาคตมันมีอยู่แค่ขณะ น, นี้เดี๋ยว น, นี้ทีน่นี่เดี๋ยว น, นี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะแค่วินาทีนี้เท่านั้นอยู่ที่ว่าวินาทีนี่เราจะเกิดอะไรขึ้นในขณะ น, นี้ในจิตในใจของเราเท่านั้นเอง ถ้าเราคิดไปอดีดดดดตแม้ก็เข้าสู่อดีตคิดไปอนาคตก็เข้าสู่อจจ bound, นาคตอยู่ปัจจุบันมันก็อยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อเราไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วมันเกิดจากความคิดแล้วทาั้งนั้นเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจนี่มันก็ว่าเออกายนะมันก็เป็นส่วนหนึง่งใจก็เป็นส่วนหนึง่งมันก็อยู่แค่สภาวะเท่านั้นเองมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันเกิดขึ้นแค่ในความคิดถ้าเราไม่ได้คิดถึงกายมันก็แยกออกไปอยู่แล้วนะกายก็อยู่ส่วนกาย ใจก็อยู่สนใจแต่เมื่อเราคิดเรารวบเข้ามามันก็ปรากฏขึ้นนี่คือกายของเราเราชื่อนี้เรานามตะกุลนี้เราเป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชีมันก็ปรากฏขึ้นทันทีเนาะเนี่ยก็คือความที่เราจําได้หมารู้มันก็ทํางานมันไปเองก็เป็นสัญญาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเวทนามันก็คือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆมันก็ทํางานมันไปเองอยู่แล้วมันทํางานมันเองเท่านั้นเองนะสังขารนะมันก็เป็นความคิดปรุงแต่งของเข้าไป วิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมลิ้นกายใจมันก็เป็นแค่ทวารที่เขาทํางานของเขาเองทุกอย่างมันก็แยกกันทํางานอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เป็นรวบเข้ามาเป็นตัวตนบ้าเออตรงนี้ทํางานปับ๊บตรงนี้ทํางานปับ๊บมันก็กลายเป็นเราแล้วก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังเป็นสังขารในการรักการชังการโกรธการเกลียดสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเนาะอันนี้คือการเปร็นรวบเข้ามาเนาะตรงนี้ถ้าเราเห็นมันก็ต่างคนต่างทํางานมันเองแล้วก็ไม่น่าที่ดูนะ ตอนนี้ใจนคิด ก, ก็ดูไปใจโกรธก็ดูไปนะร่างกายเดินยืนนั่งนอนก็ดูเข้าไปนะดื่มกินผู้คิดก็ดูเข้าไปนะเขาทําอะไรก็แค่ดูไปเขาโกรธเขารักเขาชังก็ดูเข้าไปเราก็มีหน้าที่แค่ดูเท่านั้นเองแค่รู้แค่ดูไม่ใช่ว่าเป็นตัวตอนเราต้องไปทำอะไรกับเขานะต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาทั้งสิ้นนะเราก็จะเป็นผู้ดูนะดูดูเข้าไปเท่านั้นดูเขาแสดงเขาไตรักษณ <c oughs> อาการแห่งความไม่เที่ยงความเกิดความดับ ความเปลี่ยนแปลงความทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็การที่เขาเป็นของชั่วคราวนะสิ่งเนี้ยเราก็เห็นบ่อยเท่านั้นเองนะเรายืนเดินนั่งนอนก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นกายมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วนะยืนเดินนั่งนอนมันไม่ได้อยู่ในว่ามันต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนแต่ว่ามันยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ไม่ไม่สามารถอยู่ในอีกดบนหนึ่งอย่างนั้นตลอดไปความคิดเหมือนกันมันก็ไม่ได้คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดไป เราอยากเขาคิดเรื่องเดียวมันไม่คิดหรอกให้มันคิดแต่เรื่องนี้มันก็ไม่คิดนะมันจะคิดวนไปนูน่นวนไปนี่ตลอดนี่มามันก็ดแสดงความชั่วคราวแสดงความชั่วคราวที่เราบังคับก็ไม่ได้ตลอดเลยนะความรากักความโกรธต่างๆเหมือนกันเราบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นนะมันจะมาแล้วก็ไปทั้งนั้นอยู่แล้วเราเห็นเขาไหมนี่แล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นเลยเราแค่กลับมารู้รู้เท่าทันปัจจุบันนี่แหละก็เห็นความคิดได้ว่ามันวนไปเวียนมาเท่านั้นเองนะเกิดแล้วก็ดับ เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่เรียกว่าไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือวตลัยทั้งนั้นเลยหน้าที่ว่ามันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้ตลอดทั้งนั้นเลยนะสภาวธรรมเหล่าเนี้ยจริ ง, รงๆแล้วมันก็ปรากฏในกายและใจเราตลอดเวลาอยู่แล้วชัวเราเห็นก็ไหมเราเห็นก็ไหมเรารู้ก็ไหมเท่านั้นเองใช่ไหมตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะระดับนี้แล้วเราก็ จะเกิดการปล่อยวางการไม่ยึดติดการคลายออกการจางคลายจากตัณหาตัณหานี่แหละมันคืออันตรายที่ว่านำนำให้เรามีความโลภความโกรธความหลงก็ก็จะตัณหานั่นเองอ่าสภาวะความการมตัณหา ก, ก็คืออ่าปัทนะอายินดีเพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมลมเพราะว่าตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่แหละคือจิตมันดิ้นห่นเห็นไหม มีตัณหาอะไรจิตก็ดิ้นรนในสิ่งเหล่านั้นมีตัณหาในรูปก็ดิ้นรนเข้าไปหารูปมีตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็มีการดิ้นรนอยากได้อยากมีอยากเป็นมีตัณหาในการไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นจิตก็ดิ้นรนไปในอาการไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นการดิ้นรนทุกชนิดนั่นแหละคือสมุทัยนะคือสาเหตุนการเกิดทุกข์เพราะเราสามารถที่จะสังเกตได้ไม่ว่าจิตดิ้นรนไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เนในวัชระปัจฉญาปริมามิตาสูตรก็เลยบอกว่าพึงยังจิตไม่ให้ยึดถือผูกพันในสภาวธรรมตั้งปวงก็คือให้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ไปผูกพันไม่ไปยึดมั่นในถือมั่นในสภาวธรรมตั้งปวงก็คือเกิดการปล่อยการวางการมยึดติดในลานี้ก็คือจิตที่มันคลายออกจางคลายคลายออกจากตัณหานั่นเองเนาะเมื่อจิตเขาคลายจากตัณหาแล้วความไม่ยึดติดก็จะเกิดขึ้นการปล่อยการวางก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดนิโรธ ตา ม, มานั่นคือการคลายออกจากตัณหาการที่ทํามทำให้ตัณหาไม่นิไม่มีที่อาศัยและนี่ก็เป็นหนทางการบรรทุกนะเพราะเมื่อใจใดที่เห็นซึ่งปรมัต ธ, ธรรมก็ย่อมจะเห็นสมมติธรรมได้ด้วยเพราะสมมุตินั้นคือสมมุติแต่เมื่อเราถึงปรมาตธรแล้วเราจะเห็นสิ่งสมมุติก็เมื่อเราจะละสมมุติเราต้องรู้จักสมมุติให้ได้ก่อนนะก็คือกรลุลู่สมมุติก่อนนะว่านี่ก็คืออะไรนี่คือกายและใจ แต่ว่ามันก็คือสมมุติเท่านั้นนะแต่เมื่อเราเมื่อใดที่เราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งสมมุติเราก็ไม่อาจจะละเขาได้เนาะเมื่าความโกรธความรักความชังก็ดีก็ต้องรู้จักเขาก่อนเราไม่ต้องรู้จักสิ่งที่ดีหรอก <c oughs> รู้จักอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็รู้ว่านั่นแหละเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเมื่อรู้ทันในสภาวะนั้นแล้วเมื่อเป็นสิ่งสมมติเขาแสดงอะไรเขาแสดงปตายรักอย่างแน่นอนนะมีแต่ ว, ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นาตาเนี่ย ไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้จิตก็เกิดการปล่อยการวางการมีติดในสิ่งสมมุติเหล่านั้นแม้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นของเราหรือไม่ช่ของเราต่างๆนะอันนี้เป็นลูกเราเป็นภริยาเราเป็นสามีเราหรือแม้แต่เป็นตัวเราก็เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเท่าเทีเทยมกันนะอยู่ว่าเราเข้าใจก็ไหมเนาะถ้าจิตเข้าใจตรงนี้กเกิดการปล่อยการวางการมีติดติดแล้วนั่นแหละก็คือหนทางความนทุกข์เนาะตรงนี้มันก็เข้าสู่สวาทําลี่สุดท้ายที่พระเจ้าได้ตรัสว่า สพเพธรรมานาลังอภิเวสายะทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะตรงนี้เมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางในทุกภาวธรรมจิตก็จะมีสละจากสิ่งทั้งปวงนะก็จะเข้าสู่ความเป็นปฏายรักเข้าสู่ไสยธรรมและกหนทางนี้ก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณมรัตนาตรายัย น, น้อมนำท่านจะเดินด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเธิน